นะโมตัสสะขาวัโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขวัตตอะระหะโตสมสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขวัตตอะระหะโตสมสัมพุทธัสสะสโคพุทธนมุปาโตต ณโอกาสบฏินี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานดีสงสร้างพระพุทธรูปให้กันสาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังสืบต่อไปเพราะว่ามีโยมขอร้องให้อัตมาได้บรรยายถึงเรื่องนี้อัตมาก็จล้องศรัทธาเพราะว่าเรานิยมสร้างกันมากที่คณะอัตมาก็มีโพมาสร้างไว้เรื่อยไม่ขาดวันนี้ก็มีพระโค เจ้าคณะอำเภอน้ำพองเคยเป็นลูกสิทธัตมาท่านมาขออยากได้พระพุทธรูปหน้าตักประมาณส0สิบนิ้วไปไว้ประจำวัดเจ้าคณะอำเภอของท่านเป็นพระที่ดีพระลูนี้ท่านขยันกตังอกตั้งใจเป็นเทศก็เท ศ, กเทศดีท่านอยากจะได้อย่างเนี้ยแล้วก็มีคนสร้างพุทธรูปก็ขอใ้อัตมา ได้บรรยายถึงเรื่องอนิสงส์ดังนั้นเทศกันนี้จึงเทศพิเศษเรื่องอนิสงส์สร้างพระพุทธรูปญาตโยมผู้ใจบุญถ่ายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเหตุให้เกิดความสุขมีอยู่ถึงสี่อย่างหนึ่งสุขโขุทธานมุก ป, ปาโธพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ให้เกิดความสุขสองสุขขาสังสขัดสัสมาคีความพร้อมเพียงของคนผู้เป็นหมู่ก็ให้เกิดความสุขสาม สมรคนังตะโพสุโ ข, ขตบะคือความเพียรของคนผู้เป็นหมู่กันเช่นเดินจงกรมร่วมกันเป็นหมู่กันฟังเทศร่วมกันถวายทานร่วมกันตบะเหล่านี้ทั้งเรียกว่าความเพียรของบคุคคลผู้เป็นหมู่กันก็ให้เกิดความสุข 4. ส, สุขาสัตธรรมเทศนาการแสดงพระสัทธรรมก็ให้เกิดความสุขนี้จะเอาเฉพาะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกให้เกิดความสุขละลองนับดูเถิด ให้ความสุขทั้งหลายนะ่ะมีอยู่เจ็ดประการหนึง่งมนุษย์สุขขังสุขของมนุษย์เพราะพุทธเจ้าโคทรงแสดงไวใ้ให้อุทยาผามฟังกลับพรามอีกคนหนึ่งไปทนถามว่าอยากจะได้ความสุขในโลกมนุษย์และโลกหน้าทําอย่างไรจึงจะได้พระองค์กดเทศประโยชน์โลกนี้เทศประโยชน์โลกหน้าฟังแล้วความสุขทิพ ส, สุขเทวดาพระองค์กดเทศไว้ ความสุขในฌานพระองค์กดเทศไว้สุขในวิปัสนาพระองค์กดเทศไว้สุขในมรรคสุขในผลสุขในนิพพานกดเทศไว้หมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกให้คนได้รับความสุขถึงเกิดประกาศสุขเมืองมนุษย์สุขทิพย์สุขในฌานสุขในมรรคสุขในผลสุขในนิพพานสร้างพระพุทธรูปที่จะมีอนิสงส์เป็นประการใดก็ต้องการความสุขดังกล่าวดังนั้นจงจะเทศถึงเรื่องนี้เทศถึงอานิสงส์สร้างพระพุทธรูป เพื่อให้เข้าใจง่ายจะได้ถามตอบเป็นข้อๆไปถามว่าคำว่าอานิสงแปลและหมายความว่าอย่างไรบ้างตอบคำว่าอานิสงแปลและหมายความใสามอย่างคือหนึ่งสงแปลว่าชมเชยหมายความว่าความดีต่างๆที่บุคคลเด้ทำไวเช่นความดีชั้นกามาภิจจคือความดีขั้นมนุษย์ความดีขั้นสวรรค์หกชั้น ผู้ใดได้ทําไว้ผู้นั้นจะได้ชมเชยก่อนใครทั้งสิ้นเคยได้รับผลแห่งความดีด้วยตนเองก่อนใครทั้งหมดส่วนคนอื่นเมื่อได้เห็นผู้นั้นได้รับความสุขก็จะยกย่องสรรเสริญและชมเชยว่าผู้นั้นมีบุญมีศรัทธาใจบุญมีลูกกีดีดมีภรรยาก็ดีมีสมบัติอะไรก็ดีล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นสองอานิสงส์แปลว่าเบียดเบียนหมายความว่าเบียดเบียนความชั่ว คือเบียดเบียนบาปกำจัดบาปต่างๆออกทิ้งและป้องกันบุคคลพูดทำความดีนั้นไว้ไม่ตกไปในที่ชั่วเบี้ยบายเบี้ยเป็นตน้นเช่นแม่ไก่ฟังธรรมตายแล้วเด็ดไปเกิดเป็นเจ้าฟ้าหญิงอบฟังธรรมตายแล้วเด็ดไปเกิดเป็นในสวรรค์ขังค่าวฟังพระสูตรพิธรรมตายแล้วเด็ดไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงยานจะ ย, ย้ายฉันทานพบพระพุทธเจ้าพระนอานนท์ก็ตายก็ไปเกิดในสวรรค์ ในสุมณะมาราการในถวายดอกมะลิได้เป็นพระปฏิกรกุทธเจ้ามีเป็นตน้นซ้ำอานิสงส์ประวัยออกเป็นนิดหรือไหลออกยิ่งหมายความว่าผลของคมดีที่บุคคลได้ทำไว้นั้นจะอํานวยผลให้จกพูดทำเป็นอย่างดียิ่งจะ ย, ยกมาพอเป็นตัวอย่างคือทานกุศลเช่นบุคคลที่ได้ทาทานกุศลไว ยอมจะเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนเป็นนันมากคนทาร้ายก็คบพาสมาคมกับผู้นั้นผู้นั้นก็มีความองอาจแกล้งกล้าในที่ประชมุมมีชื่อเสียงพุ่งกระจรไปทั้งตามลมและทนลมเมื่อแตกตายทําลายขันก็มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อนี้มีธรรมิกะอุบาสกและพระนางวีสาขามหาวสิกาเป็นตัวอย่างเรื่องธรรมิกะอุบาสก ทำนี้กับอุบาสกเป็นคนมีใจเลื่อมใสในภารตะหนักไตรและเป็นคนมีศสีลมีกัลยาณธรรม น, น, นาหมู่นำบริวาร น, นำลูกนำหลานทำทานเป็นนิดยังไม่ดับกิจก็ได้รับแต่ความสุขครั้นแตกตายทำลายขันแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์องสมเด็จพระจอมทันจึงได้ตรัสเตือนพุทธบริษัทไว้ว่าอามะภิกขเวอัปปมัตต า, าหิคหัตถวาปปกิตาวา่า สัพพะโมทันติเยวะโดูก่อนทันผูเห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายขอรับรองว่าถ้าบุคคลใดไม่ประมาทแล้วจะเป็นเครือขัดก่อตามจะเป็นบรรพะคิตก็ตามย่อมจะเพลิดเพลินในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังนี้แล้วพระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงพร ะ, พระธรรมเทศนาต่อไปอีกว่ายิทะโมทติเปตจโมทติกะตะปุญโญอุปยัตถโม ท, ต, โโมทติโซโมทติโซะโมทติทิจฉวะกัมมะวิสุทธิมัตโน ผู้ที่ได้ทําบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินอยู่ในโลกทั้งสองคือเพลิดเพลินในโลกนี้เพลิดเพลินอยู่ในโลกหน้าเมื่อได้เห็นความบริสุทธิ์คือความถึงพร้อมแห่งบุญของตอนแล้วย่อมมีความสุขคือความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณทีเดียวดังนี้ประวัติย่อของพ น, นางวิสาขานางวิสาขามหาวสิกานั้นเป็นหญิงมีบุญมากนางได้ทำบุญกุศลมีทานเป็นต้นไว้มากทั้งในภพก่อนและภพนี้ ในพบนี้นางได้ให้ทานรักษาศีลฝังธรรมสร้างเทวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนากว่ามากนางได้เจริญสมถะวิปัสนาตั้งแต่อายุได้จิตขวบได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเวลามีชีวิตอยู่ก็เพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับพาลูกหลานร้องเพลงวนรอบพระวิหารที่ตนได้สลทรัพย์สร้างสวายพระพุทธเจ้าไว้เมื่อ น, นางแต่ตายทำลายขันได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่ห้าคือชั้นนิมมานราดี ท้งนี้ก็เพราะผลแห่งทานศีลภาวนาที่นางได้สั่งสมอบรมไว้นั่นเองเป็นภาวะปัจจัยถามว่าพระพุทธรูปหมายความว่าอย่างไรตอบหมายคือพระรูปของพระพุทธเจ้าการสร้างพระพุทธรูปจะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างตอบว่าการสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์มากมายหลายประการเหลือที่จะนับจะประมาณได้ขอ จะขอสาธยกมาแสดงไว้ในที่นี้แต่พอเป็นตัวอยา่างหรือพอเป็นแนวทางของผู้สนใจเท่านั้น 1. นืผู้สร้างพระพุทธรูปชื่อว่าไดปมเพญนบลนิรยาวัตรถูถึงสิบประการคือ 1. นงทานนำใหม่บนสำเร็จด้วยการให้ทานหมายความว่าผู้สร้างต้องนำพระพุทธรูปไปถวายพระสงฆ์ไว้ในวัดใดวัดหนึ่งเพื่อให้พระภิกษุสามเณรหรื อ, อวาสกวาสิกาไดกราบไหว้สักการบูชา และก่อนที่จะได้ถวายผู้สร้างก็ต้องบริจาคเงินสร้างหรือเช่ามาแล้วนี้เป็นทานมัยเป็นกุศลขั้นตน้นต่อมาก็มีการเฉลิมฉลองอีกเจ้าภาคก็ต้องบริจาคจะตุปัจที่จะทานถวายพระได้ทมุลอีกเป็นขั้นที่สองนี้ก็จัดเป็นทานมัยกุศลขั้นที่สองถึงแม้ว่าจะสร้างไปไว้ที่บ้านเพื่อสักการบูชาก็ต้องปฏิบัติ ด, ดยทํานองเดียวกันนี้ นังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าเดบอมเพนทานามัยกุศลคือบุญที่สําเร็จด้วยการให้ทานไปด้วยสองสีละไม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลหมายคก็ว่าก่อนแต่จะทําการถวายทานหรือถวายพระพุทธรูปเจ้าภาพก็ต้องสมาทานศีลเช่นก่อนศีลที่สมาทานคราวนี้เกิดขึ้นเพราะการสร้างพระพุทธรูปเป็นปัจจัยดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าเดบอมเพนศีละไมกุศล คือบุญที่สำเร็จโดยการรักษาศีลไปด้วยสมภาวนาใหม่บุญสำเร็จการเจริญภาวนาคำว่าภาวนานั้นมีอยู่สองอย่างคือสมถะภาวนาหนึ่งวิปัสนาภาวนาหนึ่งการได้เห็นพระพุทธรูปดิจตาได้กราบไหว้ด้วยกายได้ปริ่งวจารริ่ถึงพระพุทธคุณใจก็ น, น้อมนึกไปตามชื่อว่าผู้นั้นได้เจริญพุทธานุสติกรมฐานจัดเป็นสมถะกรรมฐานเป็นมหากุส ด้วยจิตดวงนี้ถ้าตายไปอย่างต่ําก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างกลางก็สามารถไปสวรรค์ได้ในโสูภมโลกได้อย่างสูงก็เป็นปัจจัยให้ไปถึงพระนิพพานได้ดังพระปีติมลธระเป็นตัวอย่างคือพระปีติมลธระนั้นท่านได้กวาดลานวัดแต่เช้าตรู่เขาได้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าซึ่งเทว ด, ดาหรือมารเนรมิตรขึ้นพอท่านได้เห็นก็เกิดปิติโสมนัสดีใจ แล้วยกปีติขึ้นมาพิจรารณาเจริญวิปัสนากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญภาวนากุศลไปด้วยแม้ตัวเองระลึกถึงอะไรก็เป็นพุทธานุสติจาคานุสติสีอัปจายนุใหม่บมุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมท่อมตนต่อท่านผู้เจริญโดยไหวโดวยคุณโดยชาติการกราบไหวพระพุทธรูปไหวพระสงฆ์ หรือไหว้พูดแก่กว่าชื่อว่าได้ประพืชอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญโดยคนโดยไวจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุมีอนิสง์ให้เกิดในตระกูลสง์ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูกจึงชื่อว่าดับวัมเพนอปะปจายนามัยภูสนไปช่วย 5. วิยาวัจจะใหม่บญสำเร็จด้วยการช่วยนขนวาวในกิจที่ชอบ หมายความว่าในการสร้างพระพุทธ ร, รูปนั้นจะต้องอาศัยคนเป็นจำนวนมากการวิ่งเต้นช่วยกันในการกรอพระในงานฉลองพระในงานนำพระไปถวายเป็นต้นชื่อว่าเป็นมหาผู้สมีผลไม่น้อยเช่นพระเจ้าจันทประโชดพระพระวัยาวัจจะถีระเป็นตัวอย่างดังนี้คือก่อพระเจ้าจันทประโชดไปช่วยนายไปรับบาดพระมาใส่อาหารและนำกลับไปถวายพระ ปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินและปรารถนาให้มียานพาหนะดีๆเดินทางได้วันละหลายหลายยศปรารถนาให้ตนมีอำนาจมากรันตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าพระเจ้าจันทประโชสมกับความมุ่ง ม, มากปรารถนาทุกประการขอพระวิยาวัจจะถีระในศาสนาของพระพุทธเจ้าพนามวิปัสสี ท่านได้เป็นผู้ช่วยเหลือในกิจการของวัดและได้ช่วยเหลือในงานทำบุญต่างๆตายจากชาตินั้นได้ไปเกิดในสวรรค์จูตีมาเกิดเป็นพระราชาได้ออกบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ฉันในปฏิสมิทาทั้ง4ดาวีโมก8และอภินยาหดังนั้น ผ, ผู้สร้างพระพุทูธจึงเทวดบาเพญวยาวัชมัยขุศลไปด้วย6ปฏิทานใม่บนสาเร็จด้วยการให้ส่วนบน หมายความว่าผู้ที่สร้างพระพุทธรูปนั้นจําเป็นอยู่เองที่จะต้องบอกญาติสนิทมิตรสหายให้ทราบผู้ร่วมมนุมโมทนาในการหลอ่อการฉลองการถวายเป็นต้นนอกจากนั้นยังจะต้องอุทิศส่วนกุศลให้เจดียามัรดาปูย่าตายายท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท่านตลอดเทพบจตปฏิบติดาเป็นต้นนี้ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงเชื่อว่าในบำเพ็ญปัปติทานไมกุศลไปด้วยเจ็ด ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสาเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบนหมายคก็ว่าเมื่อผู้สร้างพระพุทธรูปได้บอกบุญแจ้งข่าวแก่ญาติมิตรแล้วญาติมิตรผู้ใจบุญเหล่านั้นก็จะต้องพากันอนุโมทนาต้อนรับเป็นอย่างดีเมวกมาร่วมอนุโมทนาท่านจะภาพกับรอยปลุ่มปีติอนุโมทนาซาตุการต่อบยิการปฏิบัติอย่างนี้จัดเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึง เชื่อว่าเรบำเพนปัตตานุโมทนามัยกุศลไปด้วยแปดธรมรมสวรมัยมบุญสำเร็จด้การฟังธรรมหมายความว่าในการสร้างพระพุทธรูปนั้นเจ้าภาพก็ได้นิมนพระไปสวดเยันโตหรื อ, อเจริญพระพุทธมนต์สแสดงธรรมเจ้าภาพบางคนก็ได้พิมพ์หนังสือทมแจ ก, กเป็นวิทยาฐานแจ ก, กเป็นธรรมฐานในงานหล่อพระงานฉลองพระนั้นอีกด้วย การปฏิบัติเช่นนี้เจ่าเจ้าภาพไปให้ธรรมะเป็นฐาน พ, พระพุทธเจ้าทรงสเสนอไว้ในปฐไตรปิฎกว่าสัพพทานังธรรมทานังคินาติให้ทำเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างสัพปรสังธรมรโสขินาติรสพระธรรมชนะรสทุกอย่างสัพพระติงธรมรติขีนาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างดังนี้ทั้งตัวเองและผู้มาร่วมงานก็ได้มีโอกาสฟังทำไปด้วย การฟังธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งดังพระบาลีในมงคลสูตรว่ากาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังคามุตตมังการฟังธรร ม, มตามการเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้นั่งนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธรรมัวาามสวรรณใหมกุศลไปด้วยก้าวธรรมเทศนามัยบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหมายคา็ว่าการที่ประสงค์ได้มาเจริญพระพุทธมนต์กว่านี้ ในมาสวดจะยันโตก็ดีในมาแสดงทำก็ดีทั้งนี้ก็เพราะเจ้าภาพเป็นผู้อารัตนานี้ก็ชื่อว่าเจ้าภาพได้บุญอันสาเร็จจากการแสดงทำแล้วดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธรรมเทศนาไมายกุศลไปด้วยทิฏฐุชุกกรรมการทำความมิ่งให้ตรงหมายมาความว่ากุศล น, นั้นมีอยู่สีขั้นคือกุศลขั้นกมปจรได้เจ้ามหากุศลต่างๆมีการสร้างพระพุทธรูปถวายทาน สร้างสรารการฝเรียนฟังธรรมแสดงธรรมสั่งโบสสั่งวิหารเป็นตน้นทางสายนี้เป็นทางไปสวรรค์ทางไปสวรรค์นั้นได้แก่มหากุศล8การสร้างพระพุทธรูปเป็นตน้นเป็นมหากุศลตายด้วยจิตมหากุศลมีผลให้ไปเกิดในสวรรค์หกชั้นมีชั้นจตัตุนมชั้นดาวดึงเป็นตน้นสองขุศล์ขั้นรูปรวิจารได้แก่การเจริญสมถะกรรมฐา น, านเช่นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าโดยเอาพระพุทธรูปมาเป็นอารมณ์เป็นตัวอย่าง สามกุศลขั้นรูปประจรได้แก่การเจริญอรูปกรรมฐานสีมีอากาศสัญญาจตนะเป็นตน้นสี่กุศลขั้นโลกุตละได้แก่การเจริญวิปัจนากรรมฐานมีภาวนาว่าพ่องน้อยยุบหน้อยเป็นต้นการที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธาจนถึงกับได้สละเงินเป็นจำนวนมากออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และสละออกมาทำทานในงานฉลองพระพุทธรูปใดชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงเห็นถูกต้องเห็นถูกแท้เพราะเป็นบุญของตนเองไม่ใช่บุญของใครเลยท่านได้เจริญสมถะวิปัสนาเพิ่มขึ้นไปอีกก็ยิ่งเป็นความเห็นที่ถูกที่ตรงตามพุทธประสงค์เต็มร้อเซนทีเดียวดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญทิฏฐุขุกกรรมกุศลไปด้วย สผู้สร้างพระพุทธรูปชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทต่อมหากุศลนสชื่อว่าได้เป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายสีชื่อว่าเป็นผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยอามิสบูชาและปฏิปฏิบูชา 5. ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเสริมสไป6ชื่อว่าในสร้างมงคลชีวิตใเกิตนเองเจชื่อว่าในสร้างที่พึ่งอันกระเสียมให้เกิตนทั้งพพนี้และพบหน้า แปดชั่ววันได้สร้างตัวอย่างอันดีงามไว้ให้แกอนุชนรุ่นหลังเก้าชื่อว่าได้รักษาวัฒนธรรมอารยธรรมของชาวพุทธไว้เป็นอย่างดีสิทธ์ชื่อว่าเป็นผู้มาดีไปดีอยู่ดีกินดีเพราะได้สร้างบุญกุศลไว้แล้วบุญเป็นที่พึงทั้งในโลกนี้โลกหน้าสิบเอ็ดชื่อว่าได้เป็นผู้อยู่ใกล้พระนนท์ปลายและเข้าถึงปรนนท์ปลายดยแท้ สิบสองที่ว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพรพพุทธศาสนาเพราะได้มีศรัทธาเหลือ่อมใส13การสร้างพระพุทธรูปเอวาเป็นบนุญบุญนี้แหละจะให้สมบัตทิทุกอย่างและเป็นที่พึ่งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงตั้งหลักฐานต่อไปนี้หนึ่งอชยะบุญนี้ใครจะมาแย่งเอาไปไม่ได้สองอนุคามินีบุญนี้จะติดตามพูดทาไปทุกปีเก้ารุจะเงาตามผมฉะนั้นสอตังอาทายคัจติเมละ ร่างนี้ไปแล้วบุญยังสามารถติดตามตนไปได้ทุกผนทุกแห่งศีอาสาธ ร, รมัญเยสังบุญนี้ไม่ทั่วไปแก่คนใครแก่คนอื่นใครทําใครได้ตก จ, จารหารใครกินใครอิ่มฉะนั้นห้าอโจระฮารโนนิธิบุญนี้เป็นขุมทรัพย์อันถาหวรโจรลักไปไม่ได้ไปก็เผาไม่ได้น้ํากดท่วมไม่ได้ใครก็กี้ไม่ได้ โข ส, สัพพกามทะทโทนิธิบุญนี้เป็นคุม้มทรัพย์อํานวยสมบัติที่เราต้องการเลยทุกๆ อ, อ, อย่างเจตยังยังเทวพิปททัิเห็นติเทวดาและมนุษย์ปรารถนาสิ่งใดใดได้สิ่งนั้นๆตามปรารถนาก็เพราะบุญแปดสุวรรณตามีผิวพรรณงามก็เพราะบุญเก้าสุสระตามีเสียงไพเราะก็เพราะบุญสิบสุสันทานางังมีเสื้อทรงงามก็เพราะบุญ สิเอตสูปตามีรูปสวยก็เพราะมุน12อาทิปัจจังได้เป็นใหญ่ก็เพราะมุน13บปริวาโรโอมีบริวานซื่อสัตจจงรักผักดีก็เพราะบุญสิบสเทสารชชังในเป็นพระราชาในประเทศนนหนึ่งก็เพราะมุน15ห้าอิสรียงในอิสรยศก็เพราะบุน16จักรวัติสุขขังปิยังในรับความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเลิศก็เพราะมุน17บเทวรสชัมปิ ได้เป็นประชาในเทวดาของพระบุญสิองมนุษิกาจะสัมปติได้สมบัติมนุษย์สมบัติของพระบุญ1ิบายาเทวโลเกจะยารติ์ได้สวรรค์สมบัติของพระบุญเจสบนิพพานสัมปติได้นิพพานสมบัติของพระบุญ11 ม, ม, มิตรสัมปตมาคมะได้เพื่อนดีมิตรีของพระบุญเจ็ดสองวิชาวิมุตติวสีภูวได้ความชํานาญในวิชาเลยวิมุตติของพระบุญ ยี่ปฏิสัมพิทาแตกชั้นในปิติสัมพิทาสก็เพราะบุญสี่วิโมกขาได้วิโมกสามิโมกแปดข้เพราะบุญห้าสาวกปรมีได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าข้อเพราะบุญยีสิบหกปัจเจกับโพธิได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าข้อเพราะบุญยีสิบพุทธภูมิได้เป็นพระพุทธเจ้าข้อเพราะบุญยีสิบแปดสุขานังนิฐานบุญเป็นต้นเหตุของความสุข ทั้งเจตประกาศย9สเกสัมปตีนังมูลังบุญเป็นรักเงาของสมบัติทั้งปวงส0ิ 30. โพคนังปฏิฐาบุญเป็นที่ตั้งอาศัยของโพคะทั้งปวงส1ิบอดพิสม ะ, ะตะสตานังเลยังบุญเป็นเครื่องป้องกันของบุคคลผูด้เดินทางในวัฏสงสาร 32มานะสติสุขอวสัยยู่ที่พึ่งอาศัยเช่นกับบุญอันเกิดจากฐานไม่มีส3สีหาสนะสติสังบุญเป็นเหมือนที่อยู่ของพระยาราชสีสามสมหาปตวีสติสังบุญเป็นเช่นกับพื้นแผ่นดินใหญ่เพราะเป็นที่พึทธภัสอาศัย35รัตุสติสังบุญเป็นเช่นกับเชือกเพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ 36. นาวาสัติสังบุญเป็นชิ่นกับเปรือเพราะพาข้ามโอคสองสาร 37. สังคมสูโรบุญเป็นเช่นกับบุคคลพวกแก้วกลางในสงคราม 38. สิบสุสังกตานครังบุญเป็นเช่นกับพนครที่บุคคลตกแต่งดีแล้ว 39. ปทิมสัติสังบุญเป็นชช่นกับดอกปฐมเพราะหอมและไม่เปรอะเพื่อนโดยของสกปรก 40. อัอคิสัิสังบุญเป็นชินกับไฟเพราะเผาบาปให้หมดไป41อาศีวิสัตธิสังบุญเป็นชินกับอสรพิษเพราะกัดเอาบาปออกทิ้งสีสศีหะสัิสังบุญเป็นชินกับพยาราชสีเพราะทำให้บุคคลองอาจแก้วกล้าสีสาเสตวัสรพระสัิสังบุญเป็นชินกับโคอุสุภราชเพราะเป็นของประเสริฐวิเศษสุด สีหัต ถ, ถีสัตทีสังบุญเป็นเช่นกับพญาช้างเพราะมีกําลังมากสีหวลาหะอัตราชสัตทีสังบุญเป็นช่น ก, าชาช น, ชนกับม้าวลาหตัวประเสริฐเพราะพาบุคคลข้ามวัตถสงสารได้อย่างปลอดภัย46คสิบหกมคังบุญเป็นหนทางที่นักปราชัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ดําเนินไปแล้ว47พุทธวังสังบุญเป็นวงของพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์ 48. มังคลังบุญเป็นมงคล น, นันสูงสุดของชาวพุทธเพราะให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ 49. อาณิสงส์สร้างพระพุทธรูปที่ตนได้สละทรัพย์ออกมาก่อสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาสำหรับสักการบูชากราบไหว้จะได้เป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้สัญจรไปมา แล้วเกิดสรัทธาเลื่อมใสระลึก ถ, ถึงคุณพระศีรัตนตรัยจะได้มีความดีใจปีติโสมนัสแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระบรมพุท ธ, ธว่าตัดขาดจากการคบหาสมาคมกับคนผ่านสัญญาญ ก, กลับเป็นผู้ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบคือละมิจาทิฏฐิความเห็นผิดเสียจะกลับตนตั้งตัวใหม่ไว้ในสมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามธรรนองครองธรรม ประพฤติตสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนมีการให้ทานรักษาศีลฝังธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญสมถวิปสนากรรมฐานตามสมควรแก่ภาวะของตนของตนเป็นขรรวาทครอบครองเย่งเรือนก็ตั้งตนไว้ในศีลธรรมอันเป็นวินัยของกฤหัตและให้ทานตามสมควรแก่โภกทรัพย์ของตนถ้ามีความรู้สึกซาบซึ้งในใจเลื่อมใสจนสราระราขรรวาทวิสัย ออกสูวเนคมะบรรพชาอุปสมบทก็พงึงตั้งตนไว้ในศีลาจารวัตของบรรพชิตคือตั้งจิตรักษาศีลไหวพระสวดมนต์ฟังธรรมศึกษาธรรมวินัยให้เข้าใจตั้งใจเจริญสมถวิปัสสนาอย่าให้ขาดจะได้เป็นผู้ช่วยส่งเสริมค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ยืดยาวออกไปตราบเท่าห้าพันประวัติา การสร้างพระพุทธรูปมีประโยชน์หลายสถานสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้สร้างและผู้ได้ทัศนาในปัจจุบันนภพนี้และภพหน้าดังพระเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญกรรมาฐานดุนะประเทศนาป่านันหนึ่งได้เห็นพระพุทธรูปเกิดปิติโสมนัติกระลึก ถ, ถึงพระพุทธคุณแล้วบำเพ็ญเพียเจริญวิปัสสนากรรมาฐานจนได้บรรลุพระอรหัตตมัครหัตตผล ค้นจากกิเลสและกองทุกในวันนั้นเองเพราะฉะนั้นการเห็นพระพุทธรูปจึงจัดเป็นทัศนานุตรยะเพราะการเห็นอย่างประเสริฐให้เกิดบุญกุศลตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงผลิภานทําให้ผู้ใด้เห็นเตือนจากบาปอกุศลไม่หล ง, งง่ายเราเทพ ย, ยดาและมนุษย์จะระลึก ถ, ถึงพระพุทธคุณว่า อิติปิโสปะวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธเป็นต้องก็ต้องได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระรูปของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปโดยทางใดทางหนึ่งเสีย ก, ก่อนเพราะเหตุนั้นท่านจึงพันนาอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปไว้น า, นานาประการดังต่อไปนี้คือหนึ่งบุคคลผู้ใดได้สละทรัพย์สร้างพระพุทธรูป เมื่อแตกตายทำลายขันจะไม่เกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากสองผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปโดยดีบุกขั้นแตกตายแล้วผู้นั้นจะได้เป็นเทวดามีลิขานุภาพมากสามผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปโดยเงินผู้นั้นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิรดะในปรภพึ่งหน้าสผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูป้วยทองเหลืองหรือทองสมฤทธ ผู้นั้นจะได้เป็นบรมกษัตริย์ธีระห้าผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปด้ศิลาหรือดอกไม้ป่นเจือกันขึ้นเป็นองค์พระผู้นั้นจะได้เป็นเทา้าสกเทวราชเป็นใหญ่กว่าทวยเทพในสวรรค์ชั้นดาวเดิมหกผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปด้วยแก่นจันผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่ในประเทศราชประกอบไปด้วยจารตรรงค์ขเสนา เจผู้ใดได้สร้างพระพุทธฉายใาส่แผ่นผ้าหรือโลหะต่างๆผู้นั้นจะได้เป็นพมหาพรมแต่ผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำมาธรรมชาติผู้นั้นจะปรารถนาเป็นพุทธภูมิปจิกภูมิซาวกภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะสำเร็จดังความปรารถนาในประพบกุน้าโดยแท้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ขวัขวายสร้างพระพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปด้วยนานาวัตถุดังที่ได้พระนามาแล้วนั้นเพื่ออุทิศบูชาพระรัตนตรัยจะได้เป็นที่สักการะกระพาพุ้ยเคารพ บ, บูชาแก่เทวดาและมนุษย์กิจก่อนยอมเป็นบุญล้ำเลิศประเสริฐหนักหนาสมดังพระพุทธภาษิตว่าบุญญาณิปัโลกัสมิงปฏิทถาโหรทิปานินาะ บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทหลายในโลกหน้าดังนี้แม้ในอัตภาพนี้เมื่อระลึกถึงกุศลขึ้นมาข่าวใดก็มีใจปีติปราโมทย์มีความสุข ก, กายสบายใจในคราวนั้นครั้งแตกตายทำลายขันละโลกนี้ไปแล้วย่อมมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเอวังมหัตถกาเอสายะทิทังปุญญสัมปทาน บุญดีและมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลดังบรรยายมาชนิตัสมาธิราประสังสันติปันดิตากระตปุญญาตรเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาทั้งหลายจึงพากันยกย่องสรรเสริญบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วว่าเป็นผู้ไม่ประมาทการสร้างพระพุทธรูปก็ได้ชีวาสร้างมหากุสลคือสร้างบุญเมื่อมีบุญแล้วก็จะได้รับประโยชน์สอิพ อันเป็นส่วนอานิสงฆ์ทั้งพพนี้และพพหน้าดังวิสัชนามาด้วยประกาศชนนี้ให้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทาลายอานิสงฆ์สร้างพระพุทธรูปถึงอัตมาได้แสดงมานี้ก็พอสมควรเจรเวลาที่นี้เมื่อเราสร้างพระพุธทธรูปแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรจรึงจะได้บุญขั้นขั้นเป็นขั้นขัไปเราสร้างพระพุธทธรูปนี่เป็นบุญขั้นหนึ่งเรียกว่าการมาวจรกุศล ถ้าสร้างพระพุทธรูปเฉยๆมีความดีใจพุ่มใจมันก็อยู่ในขั้นทานกุศลขั้นทานกุศลก็มีผลให้เกิดในสวรรค์ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงเชื่อว่ามีส่วนหรือมีสิทธิมีอายุานิสงที่จะให้เกิดเป็นคนก็ได้เป็นอย่างตำ่ำเป็นเทวดาก็ได้เป็นอย่างสงูงทีนี้เมื่อเราสร้างพระพุทธรูปแล้วถ้าเราจะให้ได้ผลสูงขึ้นไปให้ไปเกิดผมมุทธมรรค หรือให้ไปนิพพานเราก็ต้องเอาพระพุทธรูปนั่นแหละสมมุติโยมสร้างพระพุทธรูปแล้วโยมนึกถึงฐานที่โยมสร้างมีหลายประการถ้าพระพุทธรูปนั้นโยมสร้างแล้วโยมจะเอาพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ก็ได้ถ้าเอาพระพุทธรูปเป็นอารมณ์โยมลองนั่ ง, งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ดูพระเกตดูพระเสียนดูพระพักดูพระหัต กูหมดทั้งองค์และหลับตาโยมก็ภาวนาพุทโธพุทโธเอาใจไปที่พระกีดสักร้อยครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาเพระเสียนว่าพุทโธสักน้อยครั้งแล้วเลื่อนลงมาที่พระพักว่าพุทโธพุทโธสักน้อยครั้งเสร็จแล้วโยมก็เลื่อนไปที่พระหัดซ้ายพระหัดขวาแขนซ้ายแขนขวาก็ภาวนาพุทโธพุทโธสักน้อยครั้งเสร็จแล้วไปมัดท่ององค์พระภาวนาพุทโธพุทโธสักร้อยครั้ง เสแล้วเชิญท่านมานั่งฝ่ามือข้างขวาที่จริงท่านไม่มานะเอาแต่เพราะคุณมาแต่ใจยโยมต้องปักขี้ลงไปตรงกลางฝ่ามือข้างขวาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วโยมเอาใจมาไว้ที่บาข้างขวาภาวนาพุทโธพุทโธร้อยครั้งเอาไว้กลางศีรษะภาวนาพุทโธพุทโธร้อยครั้งแล้วไปให้อยู่เหนือสะดือโยมประมาณสองนิ้ว ภาวนาพุทโธพุทโธน้อยครั้งเสร็จแล้วยก็ต่อวิปัสนาพองเนยุบเนอไปเลยเนี่ยที่เจริญอย่างนี้เรียกว่าเอาพุทธรูปเอาพรพุทธรูปมาเป็นบาทเจริญสมมติให้ในใจเป็นสมาธิเพราะเราชอบเรายึดอยู่ตรงนี้เราพอใจตรงนี้เสร็จแล้วยก็ต่อวิปัสนาพองเนยุบหนอเลยอย่างนี้เรียกว่าเอาสมมติเป็นบาทจะได้ต่อวิปัสนานี่อานิสงส์จ้างผดุลบเอามาเป็นเงินใจอย่างนี้ได้ อันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานและก็เป็นปัจจัยเพื่อจะให้ต่อเอานิปัสนากรรมฐานได้ทำอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์กวดีโยสร้างพระพุทธรลกแล้วประโยชน์เยอะเนื้ยงจะไม่ทําอย่างนั้นนะจะไม่ต้องว่ายอย่างนี้ก็ได้โยสร้างพระพุทธโลกแล้วโยนึกถึงฐานโยบริจาคไปสามหมื่นหรือสี่หมื่นหรือกี่พันก็นแล้วแต่พระพุทธโูกวงนี้ โยมก็เลิกถึงทานที่โยมบริจาคสิทีเนี้นั่งขัดสมาธิกะวัตทานังมีปริสุทดทางทานังมีปริสุทดทางทานของข้าพเจ้าบริสุดดทธิ์ดีแล้วเนอะทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีเนอนี่เรียกว่าจาคานุสติกรรมฐ า, านเราเลิกถึงทานที่โยมได้บริจาคนี่เป็นทางที่จะไปพุทธโลกไงส่งขึ้นไปจากนั่นไปอีกโยมทาได้ฌานถ้าไม่ได้ฌานก็มาสวรรค์ น, นะทีนี้ถ้าเจริญพระพุทธลูกนี่ไม่ได้ฌาน เพราะพอพุทธโลกนี้ฌานไม่เกิดเกิดได้แค่อุปจารสมาธิตามหลักเท่านั้นอารมณ์ที่ไม่ถึงฌานมันก็มีอยู่สิบอย่างหนึ่งพุทธานุสติสองธรรมานุสติสามสังคานุสติสี่สีลานุสติห้าจาคานุสติ 6. กเทวตานุสติเจ็ดอุปสมานุสติแปดมรณานุสติเก้าอหาเรปฏิกุลสัญญาสิทธจตุธาตุวัฏฐานกนุทสี่อันวัานสี่สิบอย่าง สิบอย่างนี้เจริญจนตายก็ไม่ได้ฌานแต่วัในใดแค่อุปจารสมาธิที่นี่สมมุติว่าเราอยากจะให้ได้ฌานเจริญพุทธคุณธรรมคุณไม่ได้ฌานเมื่อไม่ได้ฌานก็ต่อวิปัสสนาขั้นสูงไม่ได้เอาเป็นบาทไม่ได้เนี่เราจะทำอะไรก็อธิษฐานจิตสมมุติเจริญพุทโธพุทโธเหินพุทโธลูกชัดแล้วเราก็อธิษฐานให้ท่านลงน้ําหายพัพลงไปเราก็เพ่งอาโคกสินแล้วก็จะได้ฌากนก็ฌาน เ, าาเป็นบาศต่อวิปัสสนาได้ อย่างนี้เรียกว่าเอาพระพุทธรูปที่เราสร้างนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานก่อนอย่างนี้เราหาผลประโยชน์นั้นเกิดจากการสร้างพระ พ, พุทธรูปให้ได้ให้เป็นทานกุศลก็ได้ให้เป็นศีลกุศลก็ได้ให้เป็นภาวนากุศลก็ได้ให้เป็นบุนขั้นกา ม, มวจรก็ได้ขั้นโลกวจรกุศลก็ได้หรือขั้นโลกวจรก็ได้หรือจะไปขั้นโลกุตตะก็ได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจขึ้นอยู่กับความจนานาญของครูสร้าง ยากโฉมท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาธรมาภาพได้แสดงอาณิสงส์สร้างพระพุทธรูปมาในวันนี้ก็ยังไม่บริบูรณนี้นักแต่เห็นสมควรเกี่ยการเวลาดังนั้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายธรรมะที่ได้บรรยายไว้มีหลายเลือดที่ท่านพระครูปนัดปรมมหาสุภาพบันทึกไว้เอคุณค่าของคนก็มีแล้วก็อาณิสง์ การเจริญวิปปัจนาก็มีพิสูจน์นรกพิสูจน์ถวันพิสูจน์นิพพานเรื่องบ่อยๆคนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนทําบุญอย่างไรจึงจะได้พบภาษีอะไรเมตไตรกันแท้ของพุทธศาสนาอริสงทอดกฐินแหละอริยสัจสี่เพชรในดวงใจขาอะไรจึงจะอยู่เป็นศพพุทธพยาบาลเตรียมพร้อมคนตายใครกังวลพุทธบูชาบารมีสามสิทธัสปฏิจจะสุมบาท12เทศสนา่า และการวิปัสนาเบื้องต้นทางชีวิตเราจะไปทางไหนที่สูตน์จวั์ที่สูจโลกนาที่สูตน์โลกกรทางไปนิปพพานนาดีตามดีทําอย่างไรจึงจะได้จับชายจีวรของพระพุทธองมนันไม่มีบา ร, รมีไม่แก่หลักธรรมสาคัญของคนของเรือนเมตตาบารมีอนิอนสงส์ทอดป่าๆคนเราจะเป็นพระโสดาบันไดอย่างไรวิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบันนี้ท่อบุญโปงตกสายกรรม ไข้เนอะข้อของใจธรรมจักกับวัฒนสูตรเทศกันแรกในโลกคุณค่าของการปฏิบัติธรรมและก็อนิสงส์สร้างพระพุทธรูปนี่แหละเป็น39กันนี้นั้นตอนนทีได้บันทึกไว้มีเทปเล็กๆใครต้องการก็อ่าติดต่อพระกุประหลัดพนมหรือมหาสุภาพได้เพื่อจะได้ฟังให้เบาๆสมองบ้างอยากจะได้ผ่อนอารมณ์ให้จิตใจสบายอย่าอยู่เฉ ย, เฉย เราเปิดทิ้งไว้แล้วก็ทํางานไปฟังไปก็ได้ใจของเราอยู่กับบุญกับผลศนเป็นวันเป็นวันไปดีโยบางคนใช้นาเขาก็เปิดวิทยุฟังไปบางคนทอดคุฏิแขกเขาก็เปิดฟังไปก็ได้เราฟังเอาพุนหูได้ยินบ้างเพราะกันฟังธรรมนี่มันมีหลายอย่างหนึ่งฟังเอาบุญสองฟังเอาความรู้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยสี่ฟังเพื่อปฏิบัติและห้าฟังปูทิศส่วนบุญอันนี้เรียกว่าฟังธรรม ฟังเอาบุญหมายความว่าฟังแล้วได้บุญได้บุญตรงไหนเราต้องเข้าใจคาว่าบุญซะก่อนบุญแปลว่าชำระเป็นนามไม่มีตัวไม่มีตนชำระกายว่าใจใจของเราให้สะอาดนั่นแหละมันเหมือนกันกับแฟบแฟบที่มันชำระมันฟอกผ้าให้สะอาดบุญก็เหมือนกันแฟบเป็นรูปต้องฟอกเสื้อผ้าซึ่งเป็นรูปเรือกัน ส่วนบุญนี่เป็นนามใจของเราเป็นนามก็ต้องอานามต่อนามชำระล้างกันจึงจะได้บาปเขาก็เป็นนามนั้นนั้นบุญจึงแปลว่าชำระกายว่าจใจให้สะอาดเมื่อเราฟังธรรมนี้ได้บุญตรงไหนเราลองนึกขณะที่ฟังพระทันเทศกายกรรมสามวิจีกรรมสีมโนกรรมสามของเราบริสุทธิ์นั่นแหละบุญเกิดทางกายโยมแล้ว อันนี้เรียกว่าฟังเอาบุนทัดตายด้วยจิตอย่างนี้ต่ําก็เกิดเป็นคนสูงก็ เ, เกิดสวรรค์ได้มีเยอะแยะตัวอย่างสองฟังเอาคมรู้อันนี้ต้องจําถ้าไม่จําก็ไม่ได้ความรู้หรอกจาฟังแล้กวก็ลืมก็ไม่ได้ความรู้โบราณเราต้องเขียนไว้ด้วยแน่ ย, ยิงจําเป็นต้องเขียนอันนั้นโยมฟังแล้กวกว็ลืมก็เอาเทปไปไปเปิดฟังได้งวด น, นึ่งก็ประมาณสี่สิบบาทพระท่านอัดไปแล้วเราก็มาจองจับท่านท่านก็อัดให้ คุณโยมไขสีหรืใครมาสั่งไว้ห้าม้วนคณแพทย์หญิงดรือดีอะไรสั่งไว้ห้าม้วนติดต่อมาสังคนกันกอันนี้เขาเรียกว่าเอาไปเป็นเพื่อนเวลาไม่สบายอันนี้ก็จะได้ฟังเพลินไปดีโยให้ใจอยู่กับบุญกับกุศลแม้เวลาจะตายจิตของเรายึดมันอยู่นี้เราก็ไม่หลงไม่ลืมเป็นบุญเป็นกุศลดีโยที่เราฟังเอาคงรู้ในต้องจดต้องจา โบราณต้นไหเห็นแล้วจุดไว้ทำให้เหม่นยำามือนทราบแล้วจำไว้ได้ต้องมวลเมื่อหลงลืมไปจะได้สอบสวนคงไม่เปรย์พวนจากที่จุดตรงฟังแล้วก็ต่อจะจจำได้ก็ต้องเขียนต้องจดต้องบันทึกเทปฟังนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขามีสบายๆพวกนักศึกษานักเรียนมีเทปเปิดครูสอนไ้สอนเาก็เปิดฟังได้ก็สะดวกสบายดีโยวิทยาศาสตร์จะเจริญ สฟังพอเป็นอุเบกขาใส่ปัดใจอันนี้หมายความว่าเราฟังได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างชัดฟังไม่ชัดบ้างรู้เรื่องบองไม่รู้เรื่องบ้างก็ยังเป็นอุปบิสัยปัจจัยได้นี่ก็ไม่ได้ฟังหลายเท่านะพ้าดูงูเหลือมฟังอายตนกถาไม่รู้เรื่องตายด้วยใจที่ฟังธรรมะนี่แหละงูก็ยังได้ไปเกิดในสุขติได้ผลสุดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ออกบทฟังเรื่องอายตนกถา จากพัทธิละเอาหนึ่งเลื่อนใส่จนถึงยอมบวชเจริญกรรมฐานสําเร็จเป็นพระอราหันต์ได้นี่มเป็นอานิสงส์อย่างนี้อ่ า, อานิสงส์ของการฟังธรรมเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าตัณฑ์ไว้ว่าจัตตาโรเมีเพิกเวการาสัมมาภาวีย ม, มานาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการทั้งสี่ให้บุคคลให้เป็นไปอยู่โดยชอบการทั้งสี่นั้นเป็นชไหนการทั้งสี่นั้นคือการฟังธรรมหนึ่งการสนทนาธรรมหนึ่ง การเจริญสมวะชรหนึ่งการเจริญวิปัสสนานะ่ถ้าให้เป็นไปโดยชอบยอมเป็นไปพร้อมเพื่อให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกุประมาเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่พื้นสุทธาฐธานน่ะยังลูกขาระดาวันที่เราปลูกไว้ให้แตกพริ่งก้านสาขาพภิดอกออกผลเป็นที่พึงของวิหกนกทลายตลอดคนด้วยน้ำนั้นก็จะไหลไปสู่หุ่นน้องคลองเมงลอดจนถึงทะเลหลวง น้ำก็จะมากขึ้นเรือแพนาวาโคมะชา้าปลาทาั้งหลายก็วแหวกว่ายไปมาสบายคนก็ธรรมะข้าขายติดต่อประเทศโน้นประเทศนี้ก็พรอาศัยน้ํานี่คือเกิดมาจากฝนดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะก็เป็นปัจจัยให้ไหลหลอยเร่ร่อนไปจุกระตังถึงบอกผนิพพานเช่นเดียวกันข้อสําคัญไม่ติดไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งโน้นไม่จมในท่ากลางไม่ติดข้างกับบนบก เราก็จะต้องลอยไปจนถึงทะเลหลวงเนาไม่ติดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นในฝ่ายกิริสตัณหาไม่ติดฝั่งนี้กับั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจไม่ติดฝั่งโน้หูบเสียงเป็นลบโอตภะไม่จมลงในทางกลางก็ไม่มีโลภะโทสะเกิดขึ้นไม่ติดข้างอยู่บนบกก็ไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถูกมนุษย์ลักขึ้นฟังก็ไม่ไปตามคนที่ชวนไปในทางชั่วไม่ถูกอมนุษย์ลักขึ้ฟังก็ไม่ปรารถนาแค่เสาวั์เท่านั้น อ่าปรารถนาให้ถึงนิพพานนไม่ถูกน้ามนต์ูดลงไปก็เพราะไม่ถูกกรรมมกุลทั้งห้ามันดูกลงไปไม่ผูกข้างในเึิดรักษาสินให้ดีเสียเราก็จะไลไปถึงบรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันทัน ส, สาตุชนผู้ใจบุญทลายอัตมาภาพแสดงอนิสงส์สั่งพระพุทธรูปและปัจจินกะสิ่งละอันพลัน้อยอก็สงควรเกี่ยวกันเวลาแล้ววันนี้เทศเดียวงูเทศอ น, นิสงส์สั่งพระพุทธรูป ในที่สุดนี้โดยอำนาจแห่งคุณภาษีรัตนตไตยติไยบุญญเขตและกุศลสมบัติอนวัตเศรจฐธรรมามิตรสการบูชาเหตุยากโยมทั้งหลายในบำเพ็ญกองกุศลให้เป็นไปขอจงเป็นธรรมิกาวิถีปกป้องราาักษาท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศ จ, จากทุกโศกภัยจะเดินเลยลาบยศอายุวันนะสุขะพระปฏิพาน เลตนาสารสมบัติตลอดการเป็นนิสสติมั่นอยู่ในกุศล น, นำตนให้พ้นภกประสบอันไัยโบนกาวคือมรคนหรพานด้วยกันทุกท่านเพิ่นอนยะถ า, าวริวาฮาผราปริปุเรนติซากรังเอวะเมวะยโตตินาง เปตันังโอปกปติตังปติตังตุมหังยิปเมหัสมิจฉุโตสเพเพโเรนตสังกับปาจันโถปนารโสยถามณีโชติราชโสยถาสพีติโยวิวัตฉันตุสัตพโรโควินสศตุมาตทพระวัตวันณทราโยสุขีที่ข้ายูกโอภาอภิวาจนาศีลิสนิจยังุทธาปจายโนจตารโอตัมมาวัตทันตี อายุมนโนสุขังภาลาง